มันก็หลีกออกโดยส่วนสองนเนไหมไทก็ยิยนในใจไว้บ้างว่าจะต้องหลีกให้ได้แน่ก็อนุมโมทนาด้วยนะว่ามีอุปนิสัยแล้วถ้ายังอะ่ะเอาง่ายนี่เดียวก็คิดสักก็เตี้ยเองหอทีนี้ต่อไปว่ามัรคยานแม้ทั้งสี่เนี่ยออกจากนิมิตเพราะมีนิพานอันไม่มีนิมิตเป็นอารมณ์นิพานคำว่านิมิตเนี่ยเป็นชื่อของขันห้าที่ที่ปรุงกันเนี่ยนะลักษณะนั้นเป็นนิมิต อั น, นิพ้านเนี่ยไม่มีนิมิตเพราะไม่ถูกขันท่าเนี่ยเป็นปัจจัยประชุมปรุงขึ้นแล้วก็มรรคยานทั้งสีเนี่ยนะย่อมออกจากปวัตตะขันกวัตตะขันเนี่ยรวมทั้งพบกาเนิดคติวิญญาณทีติสักวา่าทั้งหมดเลยนะเพราะตัดสมุทัยได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าทุปตโตวุฒานะคือออกโดยส่วนทั้งสองเนี่ยนะคือออกทั้งโดยอารมณ์คือออกจากสังคตะทุกชนิดอย่างหนึ่ง ออกจากกิเลสออกจากปัญหาออกจากสมุทัยอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นมรรคยานทั้งสีน่นี้ออกโดยส่วนสองถามว่าโสดาปฏิมร์ออกจากปวัตะอะไรบ้างเออถ้าแบบสังโยชน์นะโสดาปฏิมร์ออกจากสกายทิทีวิจิกิจชาศีละพตาปรามาสสกะค า, าคามีมร์ออกจากกามราฆาปฏิฆะอย่างหยาบอนาคาคามีมร์ออกจากกามราคาปฏิฆะ อ, อ, อ, อ, อย่างละเอียดเนี่ยไง อรหัตตมรรคออกจากกิเลสทั้งปวงเพราะฉะนั้น อ, อริยมรรคเนี่ยออกจากอวะตะขันคือออกจากกิเลสสมปยุต ธ, ธรรมแม้กระทั่งออกจากปฏิสนธิในภพที่แปดแล้วค่อยๆออกมาอย่างนี้เรื่อยๆโด ย, โดยลําดับจนถึงอรหัตตมรรคนี่ออกจากปฏิสนธิโดยประการทั้งปวงนี่นะไม่มีปฏิสนธิอีกต่อไปที่รู้ได้อย่างไงเพราะอะไรเพราะว่าลีกออกจากกิเลสได้สิ้นเชิงแล้ว เราเรียนทางพระคุณเจ้าะครับตอนที่โคตรตะพูหรือว่าวิปัสนาญาณล่างลงมาเนี่ยมีสังขารได้อารมณ์ขอโทษครับวิปัสนาญาณล่างจะมีสังขารในอารมณ์ตอนถึงโคตรตะพูก็จะมีนิพพานในอารมณ์มรรคจิต ก, ก็มีนิพพานในอารมณ์นะครับอันนี้ก็เห็นได้ว่าออกจากสังขารนิมิตแต่ว่าวิปัสนาตั้งแต่วิปัสนาแรกๆก็ไม่ได้มีกิเลสเกิดขึ้นตอนที่มรรคจิตเกิดก็ไม่มีกิเลสเกิดขึ้นแล้วจะละกิเลสยังไงครับ ขณะนั้นนี่เป็นการตัดสมุทัยได้ยังไงครับคือถ้าอย่างอุปาทานขันห้าที่ประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารกับวิญญาณนนะจะเขียนนิพพานอย่างเดียวแังว่าออกได้มันดีที่สุดนะอต่นะขันห้าเนี่ยนะเ้าเรียกว่าดินแดนแห่งอะไร นะขันทาที่ที่สืบเนื่องมาตลอดสายอย่างนี้นะเรียกว่าวัดตากก็ได้หรือที่เรียกว่าแดนแห่งกิเลสก็ได้คือที่โคจรแห่งกิเลสทั้งหลายก็อยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ยังโครจร อ, อยู่ในดินแดนแห่งกิเลสจะเรียกว่าออกจากกิเลสไม่ได้เห็นไหมเหมือนกับว่า ถ้ายังอยู่ในในแหล่งอย่างนี้นะจะเรียกว่าพ้นจริงไม่ได้ถึงวิปัสนาที่เกิดขึ้นพิจารณาสังขารเหล่านี้เป็นอารมณ์เนี่ยนะพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอารมณ์เนี่ยถึงขณะนั้นละกิเลสได้ก็จริงแต่ก็ยังอยู่ในตะทางฆาปะหารนะเป็นตะทางฆาปะหารเพราะเพราะว่าถ้า ที่ที่ยังเป็นวิปัสสนาเพราะโยนิโสมนสิการเพราะการไข่ควรวนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นจึงเป็นแค่แต่ทางค่าประหารในอารมณ์เดียวกันอ่ะลองไม่แ ย, ยบคายดูสิใช่ไหมในสิ่งเดียวกันเนี่ยมันพร้อมที่จะเป็นที่ตั้งแห่งราคะก็ได้พร้อมที่จะเป็นที่ตั้งแห่งโทสะก็ได้เป็นที่ตั้งแห่งโมหะก็ได้เพราะนนั้ในขณะนี้จะเรียกว่า ละกิเลสก็ละแบบต่ทางคะก็ยังไม่ได้ออกอะไรจริงเพราะว่าตัววิปัสสนาก็ยังให้ผลนำเกิดอยู่ยังผลให้ผลนำเกิดในในภพใหม่อยู่นะเห็นไหมมันก็ยั ง, ย, งยังไม่ได้ชื่อว่าออกอะไรจริงๆโดยโด ย, โดยสมุดเฉดอย่างเช่นพระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายก่อนในในท่านเคยบวชศึกษาปฏิบัติในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ น, นะท่านเจริญวิปัสสนาได้ถึงวิปัสสนาชั้นสูง โดยถึงแม้กระทั่งสังขารูปเอกขายานเนี่ยนะในกลุ่มสัจจยานท่านรอบรู้มาเป็นอย่างดีแต่ในที่สุดท่านก็ยังเวียนว่าอยู่ในวัตะอยู่นั่นแหละเพราะท่านยังไม่ได้ออกจริงๆแต่ถ้าเป็นผู้ที่เจริญวิปัสสนาก็ลักษณะเดียวกันถ้ายังไม่หลีกออกจากรูปนะฝั่งนี้เรียกว่านิมิตก็ได้นะเป็นนิมิตอยู่นีฝั่งนี้เป็นอ น, นิมิต ถ้าใครมองเห็นนิพานเป็นแบบกระดานได้ก็หมากไปมั้งอันนี้อุปมาอันพื้นฐานเนี่ยนะอย่างเช่นพ่านิพานเนี่ยไม่มีรูปเป็นนิมิตไม่มีเวทนาเป็นนิมิตไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณเป็นนิมิตแต่มันเป็นความดับรูปอะเช่นว่าน้รูปใช่ไหมรูปเนี่ยมันเกิดจากสมุทัยในอดีตใช่มสมุ ท, ทยัย รูปอันนี้รูปรูปสมูทัยเนี่ยที่สุดแห่งรูปเรียกว่ารูปนิโรธอันนี้จะเป็นรูปนิโรธเนี่ยนะรูปรูปสมูทัยรูปนิโรธเห็นไหมเมื่อแทงตลอดลักษณะนี้เนี่ยอจึงจะเรียกว่าหลีกออกจากสมมติถ้าหลีกออกจากรูปเนี่ยหลีกออกจากรูปไหนอันนี้นี่เรียกจากนิมิตไหมอวัตต์ละ ถ้าแทงตลอดด้วยอำนาโสดาปฏิมักไหมลีกออกจากปฏิสนธิในภพที่แปดและอบายเห็นไหมอันนี้กลุ่มหนึ่งนะกลุ่มกรรมชรูปกลุ่มวิบากกับกรรมชรูปกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นอภิสังขารข้างบนนี้เรียกว่าวิบากกรร ม, มชรูปหลีกออกจากอวตะคือวิบากและกรร ม, มชรูปกับลีกออกจากอภิสังขาร อภิสังขารคืออะไรคือโลภะทิฏฐิคตะทิฏฐิขตะสัมปยุทธ์เนี่ยนะสี่ดวงวิจิกิจชาหนึ่งดวงแล้วก็โลภะที่เป็นราคะที่เป็นอัปายคามินีเนี่ยนะคือโลภะโทสะที่เป็นอัปายคามินีทั้งหมดเนี่ยนะโซดาปฏิมัติเนี่ยเป็นตัวมาละ อันนี้เรียกว่าละโดยอภิสังขารกับละโดยวิบากกับกรรมไม่ฉลุเนี่ยนะละสองอย่างด้วยอนุภาพของอริยมรรคที่ที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะนด้วยหน้าอริยมรรคถ้าพอจะสรุปได้ดังนี้ว่าอริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยแทงตลอดรูปรูปสมูทัยโดยกิจโดยกิจนะแทงตลอดรูปรูปสมูทัยโดยกิจ แ ท, แทงตลอดรูปนิโรธโดยอารมณ์เแทงตลอดรูปนิโรธโดยอารัมมณปัจจัยแล้วก็แทงละปะวัตตะคือทั้งโดยวิปวิปากวิญญาณกับกรรมชรูปในอนาคตกลับหลีกออกจากกิเลสทั้งกวงเหนไหะั้นตะทางค่าคือวิปัสนาตัวนี้เป็นปัจจัยแก่โคตรภู โคตรภูเนี่ยเป็นตัดใ จ, จแก่อริยมรรคดังนั้นโคตรภูเนี่ยก็คือยังยังคาบเกี่ยวกันอยู่นะเพียงแต่ว่ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์ท่านนั่นเองซึ่งถ้าพูดแบบส ร, สรุปว่ารูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโร ธ, รโร ธ, รโรธถ้าขามินีปฏิปทาอย่างนี้ก็ได้เวทนาเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธเวทนานิโรธค า, ามินีปฏิปทาสัญญาสัญญาสมุทัยสัญญานิโรธ สัญญานิโรธคามินีปฏิปทาสังขารสังขารสมุทัยสังขานิโรธสังขานิโรธคามินีปฏิปทาวิญญาณวิญญาณสมุทัยวิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธคามินีปฏิปทาถ้าว่าแบบย่อทุกทุกขสมุทัยอ่านนะก็ขันต์ตั้งห้าเหลือเลือดสับเดียวก็ได้คือทุกทุกขสมุทัยทุกขนิโรธ ทุกขานิโรธคามิมีปฏิปทาเนี่ยนะก็ก็โดยยอดนั้นขณะนี้จึงเป็นขณนะที่แทงตลอดอริยสัจโดยสมบูรณ์เนี่ยนะขณะที่มีพระ น, นิพพานเป็นอารมณ์อั น, นอย่างที่คําถามที่ท่านอาจารย์สันติถามนั้นน่ะวิปัสสนาถึงขณะนั้นไม่มีกิเลสเกิดร่วมก็จริงแต่วิปัสสนาเนี่ยนะถ้าจะกล่าวว่าเป็นผลของกิเลสเนี่ยถูกไหมถูกถูกหรือไม่ถูก ที่คุณรัตนาเคยถามสมัยนู้นสติสามโพชชงเป็นต้นเนี่ยนะก็ยังเป็นทุกขสัตย์ทําไมจึงเป็นทุกขสัตย์เพราะยังอยู่ในดินแดนแห่งสมุ ท, ทยัยเนี่ยนะยังเป็นดินแดนแห่งกิเลสนั้นพวกเนี้นะยังไม่ใช่มรรคไม่ใช่มรรคสัตย์แต่ในมรรคสัตย์คืออริยมรรคมีองค์แปดที่ในในมรรคจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะ อยู่ในฝังคือทุกขสมุทัยเท่านั้นปัญหาในฐานะเป็นปักฝ่ายแห่งปัญหาในฐานะสมุทัยขันธ์ที่เหลือทั้งหมดเป็นทุกขสัจโดยที่สุดแม้สมถาวิปัสสนาในชั้นล่างนะที่เกิดในโลกยะจิตทั้งหมดเป็นทุกขสัตหมดเลยที่เป็นทุกขสัจเพราะยังอยู่ในดินแดนของกิเลสอยู่ดีสิ่งใดก็ตามถ้ายังอยู่ในดินแดนของกิเลสนะ ถึงขณะนั้นกิเลสยังไม่เกิดอย่า ก, กล่าวว่ากิเลสจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นกิเลสที่จะเกิดเนี่ยกิเลสนั้นเรียกอะไรบ้างในในดินแดนแถวนี้นะเป็นแดนแขวงกิเลสเรียกว่าภูมิรัตทุปปนะอ่นะภูมิรัตทุปปณะเนี่ยนะคือเป็นที่เป็นภู ม, เมิเป็นที่เกิดของกิเลสขันห้านะเป็นภูมิแห่งกิเลส เมื่อที่ใดเป็นภูมิแห่งกิเลสที่นั่นจึงเป็นวิปัสนาภูมิเพราะถ้าถ้ากิเลสภูมิไม่เกิดนะวิปัสนาภูมิมันจะเกิดมันก็เป็นอะไรถ้าเราไม่เจริญวิปัสนาเราต้องห่วงกิเลสมันเกิดแน่เพราะมันเป็นดินแดนแห่งกิเลสนี่อย่างหนึ่งแล้วสิ่งนี้ในขณะที่เจริญวิปัสนาวิปัสสนานี้ก็ยังเป็นอสมมหะอสมมหะขะตุ ป, ปันะใช่ไหย เออเป็นยังไม่ได้ถอนขึ้นแล้วก็ยังเป็นอารมนาที่กระตุกปันะยังสามารถเป็นอารมณ์ของกิเลสได้ในในสิ่งเหล่านี้นะเพราะสิ่งเหล่านี้จึงยังชื่อว่าไม่ได้ออกจากกิเลสอย่างแท้จริงแล้วในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เนี่ยเขาจึงสามารถมาแบ่งดินแดนแห่งกิเลสลักษณะนี้ว่าเช่นโดยเฉพาะเวทนานะยกตัวอย่างว่าเวทนา คือศุขเวทนากับคุกวเวทนาเนี่ยเอาเขอาไปศุขเวทนากับอุเบกขาเวทนาเนี่ยถ้าในกามมพบเนี่ยเท่ากับประกาศอะไรดินแดนของอะไรศุขเวทนาอุเบกขาเวทนาในการมมพเนี่ยเท่ากับประกาศอะไรประกาศว่ากามมราคานุใสอันนี้เป็นดินแดนแห่งกามมราคานุสัยเพราะฉะนั้นถ้ายังมีเช่น สุขเวทนาอุเบขาเวทนาในกามภพบนะแม้กระทั่งวิปัสสนาก็ยังอยู่ในกามใช่ไหมก็ยังเป็นดินแดนแห่งกามาราคานุัยอยู่ยังเรกว่โอกาสของการมาราคานุสัย